พุทโธสวัสดีค่ะทุกฟังที่เคารพค่ะรายการสัมสนีสนทนาอีกหนึ่งวันนะคะสําหรับสัปดาห์นี้เราก็าพบกันที่นี่ค่ะสถานีวิทยุสตอร้อครอบครัวข่าวดิฉันสันสนหน้าพูงนันเนินรายการพระาจานทร์ไผ่บุญอภิปุนโนนะคะจากวัดป่าดอนไยโซอดอนธา น, นีจะมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทโธชนะให้กับท่านทั้งหลายแล้วก็พาท่านทั้งหลายได้เข้าสู่การปฏิบัติธรรมด้วยการ มีพระสูตของพระพุทธองค์มาให้เราในช่วงของการปฏิบัติธรรมกันไปด้วยนะคะและพระสูตรนั้นก็จะเป็นพระสูตรที่ให้ความรู้เราไปในแต่ละวันแต่ละวันเราไปพบกับท่านกันเลยนะคะกราบมัศ ก, การย์คท่านพิบูลค่ะเชิญพานเวลาที่เรามาพบกันในแต่ละครั้งก็ขอให้ท่าผู้ฟังได้มีการปฏิบัติธรรมด้วยโดยในที่นี้คือให้เราตั้งสติขึ้นเอาไว้สตินี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกล เมื่อไหรก็ตามที่จิตนั้นมีฐานที่ตั้งสักที่ใดที่หนึ่งแต่ที่ไม่ให้จิตนั้นไหลไปทางสิ่งที่เป็นอกุศลเมื่อนั้นแหละจิตชื่อว่ามีสติตั้งขึ้นสติแปลว่าความระลึกได้เวลาที่เรามานึกถึงนึกถึงระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต น, นจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกใดใดเรื่องราวใดใดความคิดความจํานั่นคือสติตั้งสิน้นแต่ว่าเป็นสัมมาสติหรือไม่เราก็ต้องดูที่ว่าใจของเรานั้นมีอกุศลอยู่หรือเปล่า นัสติเนี่ยเป็นไปเพื่อที่จะละสิ่งที่เป็นอกุศลออกจากใจเสียได้แตแทนที่เราจะไปนึกถึงเรื่องที่เป็นอกุศลเราก็มานึกถึงเรื่องที่ดีที่เป็นกุศลฐานที่ตั้งที่พระเจ้าให้ไว้ก็มีอยู่4อย่างด้วยกันนั่นคือเรื่องของกายเวทนาจิตและธรรมเดี๋ยวเวลาที่เรามาเห็นลมหายใจเนี่ยมาดูลมหายใจมาระลึกถึงลมหายใจแล้วเรามาสังเกตอะไรเรามาสังเกตจุดที่เรารับรู้ถึงสัมผัสได้นั่นคือเรารู้สึกได้นั่นเองความรู้สึกนี่แหละคือเวทนา เนั้นเวลาที่เรามาเห็นลมหายใจก็ชื่อว่าเห็นเวทนาเหมือนกันการที่เรามารู้ลมหายใจก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายดังความรู้สึกทางกายบ้างความรู้สึกตามแขนขาพวกนี้เป็นเวทนาเป็นความรู้สึกทั้งสิ้นในที่นี้เราให้มาเห็นความรู้สึกเหนที่เกิดขึ้นบริเวณที่ลมหายใจมันสัมผัสกับเข้าไปในกายของเรานังคือในบริเวณโพรงจมูกก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นเวทนาคือเห็นลมหายใจพระรชาเองก็ทรงใช้วิธีนี้ ตอนก่อนการตรัสรู้ยังเป็นบริษัทอยู่ตอนนั้นได้ทําทุกกรกิริยาอยู่หลายอย่างหลายประการแล้วก็รู้ลมหายใจไปด้วยแล้วรู้ลมหายใจแบบที่เรารู้เนี่ยแหละรละเรียนในที่นี้ผู้ชาได้เคยตรัสเอาไว้อย่างนี้บอกว่าความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแกเราว่าถ้าใครเราพึงเพ่งฌานเอาการไม่หายใจให้เป็นอารมณ์เถิดครั้นคิดดังนั้นแล้ว เราจึงกลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกและทางปากครั้นเราทําดังนั้นเสียงลมออกทางช่องหูทั้งสองดังเหลือประมาณเหมือนเสียงลมแห่งนายช่างทองที่สูบไปสูบมาฉะนั้นแต่ความเพียรที่เราป ร, รารลแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาใหม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาใหม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบ เพราะกำลังแห่งความเพียนที่ตกลได้ยากเสียแทงเอาความคิดข้อนี้ก็ได้เกิดขึ้นกแกเราอีกว่าถ้ากไกรเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอารมณ์เถิดครันคิดดังนั้นแล้วจึงได้กั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองครั้นทําดังนั้น ลมกล้าเหลือประมาณแทงซอะขึ้นไปทางบนกระหม่อมเหมือนถูกบุรุษแข็งแรงเชื่อดเอาที่แสกกระหม่อมด้วยมีดโกนอันคมฉะนั้นความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นกนระว่าถ้าก็ไรเราพึ่งเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกเราได้กลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองแล้วรรู้สึก ปวดศีรษะไปตัวทั้งศีรษะเหลือประมาณเปียบปปานถูกบุุษแข็งแรงรัดศีรษะเข้าทั้งศีรษะด้วยเชือกอันมีเกลียวกระเหมิงได้เกิดลมกล้าเหลือประมาณหววนกลับลงแทงเอาพื้นท้องดุดถูกคนฆ่าโกหรือลูกมือตัวขยันของเขาเฉือนเนื้อพื้นท้องด้วยมีดสำหรับเฉือนเนื้อโกอันคมฉะนั้น ได้เกิดความร้อนกล้าขึ้นทั่วกายดูถูกคนแข็งแรงสองคนช่วยกันจับคนที่กำลังน้อยที่แขนข้างละคนแล้วย่างลมไว้เหนือลุมฐานเบลิงอันร้อนระอุฉะนั้นแม้ด้วยอิริยาคือปฏิปทาแม้ชนิดนั้นด้วยข้อปฏิบัติชนิดนั้นด้วยทุกรกรักกายขนาดนั้นเราไม่ได้บรรลุแล้ว ซึ่งคุณวิเศษอันยอดเยี่ยมที่ยิ่งไปกว่าธรรมดาแห่งมนุษย์เลยข้อนั้นเพราะว่าไม่มีการถึงทับซึ่งอริยปัญญาอันเป็นอริยปัญญาซึ่งเมื่อถึงทับแล้วจะเป็นเครื่องปฏิบัติอันประเสริฐที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบนั่นเดียวเพราะเห็นนั้นแลสมณะหรือพรามพวกใดกายละวัตถุการได้แล้ว ทั้งใจก็ไม่ละคนอยู่ด้วยกิเลสกรรมอันทำความพอใจความเยื่อใหญ่ความโมหมกความกระหายความรุ่มร้อนในวัตถุกรรมทั้งหลายขอเป็นผู้ละดได้ระ ง, งับได้ในกิเลสกรรมอันเป็นภายในเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นจะได้สวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเปนร้อนเพราะการทำความเปลี่ยนก็ดีหรือไม่ได้สวยก็ดี ก็ยอมกวนที่จะเกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งไปกว่าได้นี่คือเรื่องราวที่พระเจ้าได้ตรัสถึงตอนที่พระองค์ทำความเพียรอยู่ในเรื่องของทุกรกิริยาเชนปานสทธุค่ะเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งกับการทดลองใช้วิธีเกี่ยวกับลมภายในกายใช่ๆ่่ที่ที่เอาตัวอย่างนี้มาให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ย เพราะว่า 1. นึ่นะคือเรื่องพรุทธเาใช้ลมหายใจนะนี่เราจะสังเกตเห็นได้ใช้ลมหายใจก็จนกระทั่งพยายามทำลมหายใจให้เบาลงนะดยการบังคับอะไรต่างๆนะก็ก็ไม่บรรลุนะแล้วก็ทําทุกขะเกิริยาต่างๆอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่อนะ่าที่เรื่องที่2คือที่ทำทุกขะกิริยาเนี่ยประเด็นที่อาจรมาต้องการจะพูดก็คือว่าเอ่อไม่ได้มีอริยปัญญาเกิดขึ้นนะปัญญาในที่นี้หมายถึงอะไรนะหมายถึงการที่ จะพยายามทําจิตเนี่ยให้มันหมดกิเลสคือกระบวนการที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยทรมานตัวเองให้ลําบากเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติของสมณพราหมณ์สมัยก่อนที่เขาพยายามที่จะคิดว่ากิเลสมันอยู่ในกายเลยพยายามทํากิเลสในกายให้เหือดแห้งด้วยการทรมานตัวเองต่างๆนานาแต่จริงๆแล้วกิเลสอยู่ในใจซึ่งตรงหนึ่งตรงบทสุดท้ายที่ได้พูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าต่อให้คุณทรมานแค่ไหนต่อให้คุณทรมานแค่ไหน แต่ถ้าไม่ใจเนี่ยยังมีกิเลสอยู่ก็จะไม่บรรลุแต่ถ้าคุณทรมานอย่างนั้นแล้วใจไม่มีกิเลสคุณก็บรรลุได้เหมือนกันนะแต่ประเด็นการประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณทําทุกกระกรรมหรือไม่ประเด็นอยู่ที่ว่าใจเนี่ยมีอริยปัญญาหรือเปล่านี่คือประเด็นค่ะโอก็ได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาเลยนะคะท่านอาจารย์คะดิฉันเลยอยากกราบเรียนถามถึงเรื่องประสบการณ์ของการปฏิบัติ ซึ่งเหมือนเอินไม่ใช่เป็นประสบการณ์ของตัวเองนะคะแต่ก็คล้ายๆเรื่องพูดนี้ะต้องรู้ได้เฉพาะตนเรียนเข้าใจว่าท่านปฏิบัติเยอะอาจจะมีประสบการณ์คล้าย ก, กันกับคนนี้ก็ได้นะคะคือเล่าให้ฟังว่ า, าในการเรียนที่ครูบาอาจารย์ซึ่งท่านนี้ได้พบเนี่ย ก็จะมีวิธีการสอนอย่างหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของเมื่อปฏิบัติปฏิบัติไปเนี่ยจะมีปฏิกิริยาทางด้านของธาตุต่างๆในร่างกายคื อ, อดินดินน้ำไฟลมดินน้าไฟลมค่ะอย่างเช่นธาตุดินก็บอกว่าพอนั่งนั่งไปเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนถูกตบที่หน้าเป็นระยะเวลานหนึ่งนะคะบอกแล้วตอนหลังเนี่ยได้พบกับปรากฏการ์เกี่ยวกับเรื่องธาตุไฟบอกร้อนมากที่กายเลยนะคะ ซึ่งเทียนเองก็สงสัยอะค่ะว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เป็นผลจากการปฏิบัติซึ่งควรจะต้องได้พบกันทุกคนหรือว่าได้พบแล้วแต่ว่าไม่รู้อย่างนั้นหรือเปล่าค่ะอันนี้ผลที่จะเกิดมาทางกายเช่น่าจิตใจเรามีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วกายเราจะเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นไปได้นะคุณโยมติว๋วเช่นบางทีบางคนเนี่ย นั่งสมาธิสมาธิไป เ, เกิดปล่อยวางได้กลายมันเบาวูบลงไปอันนี้เป็นไปได้เขาจะมีความรู้สึกทางกายเกิดขึ้นในธาตุสีดินน้ำไฟลมที่จะเกิดขึ้นในในในกายของเขาอันนี้ผู้เช้าก็ยืนยั น, นเรื่องของปีติสุขจะมีอาการที่เกิดขึ้นทางกายอันนี้มีแน่นอนในเรื่องของฌานสมาธิทั้งส<แ>ี่แต่ทีนี้เกิดขึ้นไดนะ้รูปแบบที่เกิดขึ้นนี้อาจจะแต่ละคนไม่เหมือนกันแน่นอนแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนจะเหมือนกับตกเหวบางคนอาจจะลอยขึ้นฟ้าถ้าถ้าจะเป็นเฉพาะธาตุเช่นธาตุสีดิน้ำฝฟลมก็อาจจะเป็นไปได้ในแต่ละบุคคลนั้นจะเป็นไปได้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาถูกไหมค่ะมันเป็นบางครั้งบางคราวหรือว่าเฉพาะช่วงนั้นช่วงวับแบบแบบสั้นบ้างยาวบ้างก็แล้วแต่แสดงว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีความไม่เที่ยงสิ่งใดที่ไม่เที่ยงเนี่ยสิ่งนั้นจะเป็นทุกข์ ในะสิ่งใดมีคุณสมแห่งความเป็นทุกข์สิ่งนั้นต้องเป็นอนัตตาแ näm. นะ่ในสิ่งใดที่เป็นอนัตตาในสิ่งนั้นไม่ใช่ของเรานไะม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราในะถ้าสิ่งใดไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเราอย่าเอามาเป็นของเรานะอย่าเอามาแบบมาพูดคุยว่าฉันเป็นอย่างนี้เอาก็กุ่ไม่ได้เป็นแล้วมันไม่ควรที่จะเอามาเห็นว่าเป็นตัวกลุ่นอันนี้ต้องผ่านไปวางไปวางคค่ะค่ะะ แต่สำหรับที่ได้ฟังมาเนี่ยเข้าใจว่าก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมายึดมาเป็นตัวตนของผู้ที่มาเล่าให้ฟังนะคะแต่เหมือนกับเราไปถามคุณเองว่าประสบการณ์เป็นเช่นไรแล้วก็ได้รับฟังมาเช่นนี้ทีนี้สําหรับพระสูตรพระสูตรนี้ซึ่งได้กล่าวถึงเรื่องของการบําเพ็ญทุกรรกิริยาของพระพุทธองค์ในการใช้ลมมาเป็นเครื่องมือในการฝึกปฏิบัติเนี่ยนะคะ yeah, นันเองสงสัยอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวว่าเวลาที่เราพยายามรู้สึกถึงลมหายใจบางครั้งอะคะ่ะจะรู้สึกร้อนอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่ามันเหมือนกับเราจะเกิดความรู้สึกที่การหายใจด้วยนะคะว่าอึดอัดเล็กน้อยแปล ว, ว่าเราทำอะไรผิดหรือเปล่าะคะยังมีการบังคับลมหายใจอยู่ ซึ่งอานาพาณสติเนี่ยผู้ชาบบอกไว้ชัดเจนว่าเป็นของเย็นเป็นของระงับเป็นของประณีตเป็นเครื่องอยู่อันเป็นสุขนี่คืออนาปาณสตินะเป็นเครื่องอยู่ของตถาคตเป็นเครื่องอยู่อันเป็นสุกเป็นเครื่องอยู่อันประเสริฐเป็นของเย็นเป็นของระงับเป็นของประณีตพวกนี้จะเป็นคุณสมบัติของอานาปาณสติที่ที่เรารู้สึกเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าแน่นอนยังมีการบังคับลมหายใจไม่ได้เป็นให้มันเป็นธรรมชาติพอบังคับลมหายใจธาตุลมของเรามันปั่นปวดเนี่ย มันก็ส่งผลออกมากระทบกระทัดดินบ้างเราจะจะรู้สึกเป็นหนักๆบ้างอาจจะส่งผลกระทบไปาธาตุไฟเราอาจจะรู้สึกร้อนอาจจะส่งผลกระทบกระทาดลมเรารู้สึกเหมือนมีลมมันอึดอัดอยู่ข้างในอันนี้เป็นไปได้อันนี้เป็นไปได้นะคะั้นถ้าเกิดท่ า, าในใดท่านหนึ่งมีประสบการณ์เช่นนี้หมายความว่าต้องทำความเข้าใจหมายละคือการรู้ลม ต้องรู้โดยความเป็นธรรมชาติของลมที่ไหลไปมาใช่กับถ้าเกิดประสบการณ์เช่นนี้จะต้องปรับจะต้องหาความพอดีให้เกิดความเย็นใช่ไมคะที่ท่านว่า อ, อนาปานาสติคือความเย็นถูกต้องคือความสงบระงับคือความสบายอะคะเมื่อสักครู่คือความระงับคือความประนีตคือความประนีตเพราะฉะนั้นประณีตในที่นี้ก็คือว่า คุณต้องทำอย่างให้มันละเอียดรอบครอบนะแน่นอนคนอดีตมัก็เคยเป็นตอนแรกๆเราบังคับลมหายใจมันต้องสั้นมันต้องยาวมันต้องความเร็วเท่านี้ต้องช้าต้องเร็วประมาณนี้อย่างกินข้าวเสร็จใหม่ๆเนี่ยจะบังคับลมหายใจให้มันช้าเนี่ยมันจะอึดอัดมากตอนเช้าๆเราจะหายใจให้มันเร็วขึ้นตัวเราก็จะร้อนขึ้นเราก็ทําอย่างธรรมชาติร่างกายของเรามันจะปรับลมให้มันเหมาะสมกับความต้องการของมันอยู่แล้ว แต่จะมีปัญหาแบบนี้สําหรับผู้ปฏิบัติใหม่ๆก็คือว่าหาลมไม่เจอแล้วนะคะอืมอันนี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นแต่ว่าก็เป็นถ้าอย่างไรก็รองหายใจแรงๆสัก2 3ครั้งอันนี้คือประเด็นที่1นะึ่งนรองหายใจแรงๆสัก2 3ครั้งแตนะ่เรารับรู้ได้ที่ไหนเอาจิตเราไปที่นั่นแตนะ่ทีนี้พอหายใจแรงๆสองครั้งรับรู้ได้เสร็จปุ๊บเอาจิตไปที่นั่นเอ๊ะเดี๋ยวมันหายไปอีกมันเหมือนกับเบามากหรือบางทีเราก็รับรู้ไม่ได้สังเกตไม่เห็นนะเห็นเป็นบางครั้งบางคราวชัดเจนบ้าางงือนบ้าง นะก็ต้องบอกว่าเวลาที่คนหายใจออกเนี่ยนะคุณโยบติ๋วหายใจออกแล้วจนสุดแล้วนะกําลังจะเปลี่ยนเป็นลมหายใจเข้าแต่ยังไม่เข้านะยังไม่ถึงเข้าตรงนั้นจะหยุดหายใจนิดนึงถูกไหมไอตรงที่หยุดหายใจแค่เสี้ยววินาทีตรงนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเราจะไม่รับไม่สามารถรับรู้ถึงสบายของลมหายใจได้อ้าวแล้วตรงนั้นจะเอาจิตไว้ที่ไหนพระชจ้าเอาจิตไว้ที่ไหนนะตรงนั้นก็เหมือนเดิมนะว่าให้เอาจิตไว้ที่ตำแหน่งเดิมอันนี้เป็นเหมือนกับจุดอ้างอิงเฉยๆนะ เป็นจุดอ้างอิงประเด็นที่เราต้องการคือต้องการจิตให้มันมาอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงลมหายใจเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เราอ้างอิงไว้อยู่ใช่ไหมพะเรารู้แล้วว่ามันตรงนี้เราก็คือเอาจิตไว้ที่นี่เลยไม่ว่าจะสังเกตเห็นสัมผัสหรือไม่ก็ตามนะเพราะสิ่งที่เราต้องการคือจิตที่มาอยู่ที่นี่จิตที่มาอยู่หน้าที่ตำแหน่งนี้จะมีลมหายใจไม่มีลมหายใจก็ไม่เป็นไรละแต่สติจะเกิดขึ้นได้ซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องของลมหายใจที่เรากำลังฝึกนะ ไม่ใช่เรื่องของลมหายใจเรากำลังฝึกจิตนะจะลมหายใจสั้นจะยาวจะเร็วจะช้าจะร้อนจะเย็นจะห่างจะถี่นะไม่ใช่ประเด็นนะจะมีจะไม่มีสัมผัสเกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่มีชัดบ้างไม่ชัดบ้างแต่ที่เราต้องการคือให้จิตมาอยู่ที่นี่เพนะราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดตำแหน่งเนี่ยเป็นเหมือนกับมาร์กเอาไวา้เป็นโทงปากเอาไวานะ้แล้วก็พอเรารู้แล้วก็ให้จิตมาอยู่ที่นี่ให้ได้นี่คือสติจะเกิดขึ้นทันทีค่ ะ, ะงั้นเดชันก็จับประเด็น ว่าท่านผู้ฟังที่เป็นผู้กำลังปฏิบตัติหรือว่ากำลังคิดจะปฏิบตัติต้องเข้าใจตรงนี้แล้วจะทำให้อาจจะง่ายขึ้นก็คือว่าสติเนี่ยไม่ได้ให้เอาไว้ที่ลมหมายถึงว่าลมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักคือเอาสติอยู่ที่ใดที่หนึ่งใช่ใช่ใช่คะใชเ่เอาจิตอยู่ที่ใดที่หนึ่งเอาจิตอยู่ที่ใดที่หนึ่ง <1. S 1> ซึ่งในที่นี้คือ คือเราเอาจิตไว้นะที่ตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจอ่ะทีนี้พอสัมผัสนี่หายไปแต่ถ้าคุณยังเอาจิตไว้ที่เดิมได้อันนี้ดีมากเลย แ, แสดงว่าคุณยังมีสติอยู่แต่ลมหายใจอาจจะหายไปแล้วอันนี้ไม่ใช่ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาตัวอย่างที่อาจจะเปรียบเทียบได้เช่นว่าเราไปตกปลาแล้วก็เอาเบ็ดเนี่ยใส่เหยื่อเบ็ดจะเป็นนอนเป็นอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณก็ไปตกปลานะพอได้ปลาแล้วเนี่ย ไอ้เจ้าเบ็ดกับเยื่เบ็เนี่ยเราไม่เอานนั้นเปรียบเทียบกับว่าปลานี่คือจิตของเราเราเอาลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องล่อจิตให้มันอยู่ที่นี่เป็นหลักเป็นเป็นหลักไว้แต่ทีนี้ถ้าจิตมันมาอยู่ที่นี่แล้วน้นเบ็ดคือไอ้เจ้าลมหายใจเนี่ยไม่มีก็ไม่มไมเป็นไรค่ะอ๋ออันนี้ก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยนะคะสําหรับความที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของลมเนี่ยที่ฉันว่ายากนะคะถ้าเรา ไม่มีใครเป็นที่ปรึกษาซะเลยเนี่ยก็อาจจะหลงผิดอยู่ช้านานได้อืมเป็นเป็นรายละเอียดที่ต้องฝึกต้องทําในการถ้าในประสบการณ์การสอนของท่านเนี่ยจะมีผู้ที่มีปัญหาลักษณะเนี้มากไหมคะใช่ใช่ใช่อันนี้จึงต้องเป็นเป็นบอกไว้ก่อนเลยละ่ะพูดไว้ก่อนเลยโดยที่ไม่ต้องให้เขาถามเพราะว่าตัวอะไรก็เจอนะแล้วก็คิดว่าผู้ปฏิบัติห ล, หลายๆคนก็เจอประเด็นก็จะพูดไว้ก่อนเลยก่อนที่เขาจะถาม อันนี้คือข้อที่<อ> 1ข้อ1คือเรื่องของบางทีเห็นลมไม่เห็นลมอันนี้อันที่หนึ่งและที่เจอกันบ่อยมากๆก็คือแบบตามลมพยายามตามลมเข้าตามลมออกอันนี้ก็ไม่ต้องตามอุปมาอุปไม้ที่พระเจ้ายกขึ้นก็คือเรื่องของนายทวารเขาเฝ้าอยู่ที่เดียวท่านคะพูดถึงเรื่องตามลมเนี่ยด้ว่าบางทีก็เป็นเรื่องยากที่จะทําความเข้าใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าไปฟังพระสูตร เรื่องของอนาปาณสติที่ว่าให้ตั้งกายตรงดารงสติเฉพาะหน้าแล้วก็<า>ทีนี้<จ>ก็ไปถึงส่วนของการรู้ลมหายใจใช่ใชซึ่งบอกว่าหายใจเข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้เข้ายาวรู้ออกยาวรู้อย่างเงี้ยนะคะอาจจะทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสั้นว่ายาวถ้าเราไม่เฝ้าเขาตามเขาแต่จริงจริง<อ>แล้วเป็นยังไงคะนะคะคือ ตรงนี้ที่ทําไมผู้าต้องเพิ่มวัคนี้ขึ้นมาท่ามาก็พยายามจะใคร้ครวนพิจารณานะว่าเฮ้ยทาไมต้องบอกว่ายาวทําไมต้องบอกว่าสั้นนะอันนี้เพื่อที่จะบอกเราว่าคุณไม่ต้องตามลมนั่นเองนะคือบอกว่ายาวหรือบอกว่าสั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าให้ไปตามมันยาวๆหรือให้มันตามสั้นๆเพราะว่าสิ่งที่พูดไว้ตอนแรกเนี่ยคือให้มาดํารงสติไว้เฉพาะหน้าอันนี้คือชัดเจนเลยเพราะนั้นไม่ว่าจะยาวจะสั้นคุณต้องเอาจิตไว้ที่นี่อันนี้คือเพื่อที่จะบอกว่าคุณไม่ต้องตามลม นะเนื่องจากว่าลมหายใจเนี่ยมันมั น, ม, นมันจับต้องไม่ได้นะคุณโยมติว๋วมันไม่ได้เป็นก้อนเป็นอะไรเราก็มันก็ยาวๆไปตลอดมันเป็นธาตุลมก็ไหลไปไม่มีตัวตนที่เราจะไปจับมันได้เพรา ะ, ะนั้นจึงต้องมีจุดที่ให้สังเกตนะซึ่งจุดนี้แหละคือทางเข้าทางออกของลมหายใจคือในบริเวณโพรงจมงูกตรงนี้ค่ ะ, ะบางคนเนี่ยเขาไม่มีปัญหาเลยเข้าใจว่าจะเป็นผู้ที่จับถูกจุดพอดีเลย แล้วก็ไม่ไดอ้อไปไประแวงในรายละเอียดมากเป็นบางทีรู้มากแล้วก็สับสนเหมือนกันนะคะถ้ารู้ไม่จริงใช่บางคนขนาดนี้เลยนะว่าเอ๊ะในเนื้อที่ที่เราจะมารู้รหมายเชิงต้องอกี่ตารางมิลลิเมตรเนี่ยต้องเข้ามาจากปลายจมูกกี่เซนติเมตรอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหรายละเอียดมากส่วนใหญ่จะเกิดกับคนที่เรียนหนังสือมากหรือเปล่าใ ช, ใช่พวกหมอเนี่ยประจาหมอ นะคะเพราะดิฉันสังเกตว่าบางทีคนชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยจะไม่มีการบ่นในลักษณะนี้เพราะว่าก็มีคุณยายคุณทวดอะไรเงี้ยนะคะเคยไปสนทนากับท่านท่านบอก oh, ท่านปฏิบททัติตั้งแต่สาวแล้วไปวัดหลวงพ่อสอนแบบนี้ก็ทําเรื่อยมาแล้วก็มีชีวิตที่ดิฉันดูจากภาพรวมเนี่ยท่านก็ดูมีสุภาพกายสุภาพจิตดีมากๆในวัยที่เกือบใกล้ร้อย แล้วก็เข้าใจว่ามีชีวิตยอย่างนี้ดีได้เนี่ยเนื่นองด้วยสมาธิใช่เลยเนาะก็แปลว่าท่านไม่ไม่สงสัยก็เลยไปได้ง่า ย, ยางั้นหรป่าคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าประสบการณ์การปฏิบัติก็ได้นะคือปัญหาเราเนี้ยอาจจะแก้ไขมาก่อนแล้วอ่าแล้วก็มีประสบการณ์พอสมควรทําให้อ่าตั้งตัวได้ตั้งสติได้นะก็เลยมีผลการปฏิบัในที่คุณโยมติ๋วเห็นค่ะแต่อยไรก็ตาม วันนี้ประเด็นที่ท่านพิบูลนามาบอกเราก็คือเรื่องของพระพุทธองค์เนี่ยกว่าจะตรัสรู้ก็ได้เจริญสติแบบที่พวกเราทำนี่แหละแต่ว่าทรงเป็นผู้ค้นพบก็จึงค้นด้วยหลายวิธีด้วยกันใช่แล้ววันนี้เล่าเรื่องการทำความลำบากให้กับร่างกายด้วยการบังคับลมใช่อันนี้ก็คือคเป็นการลองผิดลองถูกนั่นเองอันนี้ต้องการจะบอกกับท่านผู้ปฏิบัติทุกท่านเลยว่า เหมือนกันพระพุทธเจ้าเนี่ยลองผิดลองถูกมาก่อนตัวเราเองบางทีก็ลองผิดไอ้ที่ลองถูกมาแล้วมันผ่านมามันทําไม่ได้ผลแล้วก็มาลองที่ผิดเอ้ผิดแล้วก็ไม่ได้ผลก็กลับไปลองที่ถูกสับไปซับมาอย่เงี้ยจนกว่ามันจะลงตัวมันจนกว่ามันจะได้ผลจริงๆเนี่ยก็ต้องก็ต้องทำก็ต้องทําไปประเด็นไม่ใช่อยู่ที่ว่าคุณผิดหรือถูกประเด็ น, นคืออยู่ที่ว่าคุณได้ทําคุณได้ทําความเพียนตรงนี้นนปัญญาจะเกิดกันได้ แต่ว่าการที่เรามาทําความรู้กันในประสบการณ์ในคําสอนของพระศาสดาเนี่ยน่าจะทําให้เราไม่ต้องไปลองผิดบ่อยนะคะท่านค่ะอืมอก็คือเราเรียนจากประสบการณ์ของท่านนะพอเราเรียนจากประสบการณ์ของท่านเนี่ย learning curve ของน เ, นเรามันจะสั้นกว่าจะสั้นเข้าค่ ะ, ะพระพุทธองก็ได้สมควรพบแล้วว่าทางสายกลางเนะ่ยดีที่สุด ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ทำไปและถ้าหากว่าฟังจากท่านเพียบู์ได้เล่าถึงประสบการณ์ในการสอนเนี่ยดิฉันคิดว่าการเข้าคอร์สเป็นเรื่องเป็นราวนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ดีเพื่อที่จะทำให้เราเข้าถึงความรู้ที่ผ่านการทดลองปฏิบัติมาแล้วจากครูบาอาจารย์ที่จะทำให้ง่ายขึ้นใช่ใชถ้าสนใจอคอร์สของท่านพบูนนี้ให้ไปที่เว็บไซต์ครับ ที่ที่เ<อ>า <ไฟ S 2> ใช้ของวัดใช่ใช่ WP นะย่อมาจากวัดป่าแล้วก็<ะ> DHS คือดอนหายโศกแต่นจะมีตัว 5, 5 <ะ>ตัว อ, อักษรคือ WPDHS.org นะย่อมาจากวัดป่าะะดอนหายโศกเ<ะ>ดถ้ากลัวจะจำไม่ได้ก็จำภาษาไทยไว้วัดป่าดอนหายโศกแล้วไปเทียบเคียงกับตัวย่อภาษาอังกฤษเอาตรงตัวเลยนะคะวัดก็ะเปียป่าก็ P อย่างนี้เป็นต้นค่ะกราบนมัสการขอบพระคุณ ท่านภับูนไว้ณโอกาสนี้นะคะกาลนักานการค่ะขอท่านฝั่งคะะนั้นก็คือพระมหาไภัยบูอนอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีรายการนี้รายการสันนิยมสนทนาสันนียมนาคคงดําเนินรายการนะคะก็ขอให้ท่านได้ใช้ความรู้ที่ได้รับจากรายการนี้สร้างความเจริญในการพัฒนาจิตของท่านให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปฝึกสติของเรา มีมากเท่าไรเป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะสำหรับรายการของเรามีทุกวันจันทร์วันศุกร์ค่ะก็ขอเชิญท่านทั้งหลายมาติดตามรับฟังรายการกันได้ตั้งแต่ตี5ถึงตี5ครึ่งในทุกวันนั้นเลยนะคะวันนี้พุทธวัสวสดีค่ะ